พุทธคุณประการที่หโลกวิถูโดยปกติคนที่จะสามารถสอนคนอื่นได้ผลคือทำให้เขาเชื่อและปฏิบัติตามได้ผู้สอนจะต้องมีความรู้เหนือคนที่จะสอนทุกอย่างถ้าหากเรามีความรู้เฉพาะแต่ในทางของตัวส่วนเรื่องราวต่างๆของผู้ที่จะสอนเราไม่รู้เราไม่เข้าใจ มันก็จะเป็นเสำเนียงพูดกันคนละภาษาทั้งนี้ก็เพราะคนเราเมื่อรู้เห็นมาอย่างไรได้รับการศึกษามาอย่างไรก็ยอมจะคิดไปตามแนวที่เคยรู้เคยเห็นมาเพราะฉะนั้นผู้ที่จะสอนเขาเมื่อไม่ทราบแนวความคิดของเขาก็จะพูดกันไม่รู้เรื่องอย่างใจเขาไม่ถูกแต่ถ้าหากเป็นคนที่เคยรู้เคยเห็นเคยเรียนมาอย่างเดียวกันทราบเรื่องราวต่า ง, างของคนที่จะสอนเป็นอย่างดี การสอนก็ได้ผลดีพระพุทธเจ้าที่ทรงสามารถสอนศาสนาได้ผลสำเร็จอย่างงดงามที่สุดก็เพราะพระองค์ทรงเป็นโลกาวิถูคือทรงรู้แจ้งโลกในคำพีวิสุทธิมักท่านอธิบายความหมายของคํานี้ไว้กว้างมากโดยท่านอธิบายว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งโลกทั้งสาคือโอกาสโลกสังขารโลกและสัตวโลก โอกาสโลกหมายถึงโลกที่เราอาศัยอยู่ในข้อนี้หมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี้มีลักษณะอย่างไรเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไรวัดเดือวรอบเท่าไรตั้งอยู่อย่างไรทรงทราบทั้งหมดและไม่เพียงแต่ทรงทราบเรื่องโลกนี้เท่านั้นแม้โลกอื่นๆในสากลจักรวาลก็ทรงทราบเรื่องดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ทรงทราบแปลว่า พระพุทธเจ้าทรงมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดาราศาสตร์เรื่องจักรวาลแต่อย่างไรก็ดีรายละเอียดเกี่ยวกับโลกและจักรวาลนี้เท่าที่ปรากฏในคำภีพระไตรปิฎกนั้นพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสถึงเท่าที่พบมีอยู่แห่งเดียวที่พระองค์ตรัสไว้คือในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบซึ่งพระองค์ตรัสไว้ว่าโลกมีนับเป็นแสนแสนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็มีนับเป็นแสนแสน โปรดเข้าใจว่าคําว่าเป็นสรรสนนี้เป็นสํานวนซึ่งหมายความว่าในวงอวกาศเท่าที่เรามองเห็นด้วยตานี้มีพระอาทิตย์อยู่มากมายส่วนพระจันทร์นั้นเราเห็นเพียงดวงเดียวแต่ถ้าดูจากกล้องโทรทัศน์จะเห็นว่าดาวนพเคราะห์แต่ละดวงก็มีดวงจันทร์โคจร อ, อยู่ ร, บรอบๆและดาวนพเคราะหบางดวงก็มีดวงจันทรโคจร อ, อยู่หลายดวงเพราะฉะนั้น ถ้าหากคิดไปถึงจักรวาลอื่นๆหรือกาแล็กซี่อื่นๆเราก็จะพบว่าดวงจันทร์มีมากมายนับไม่ทวนสิ่งที่น่าประหลาดก็คือพระพุทธเจ้าทรงทราบได้อย่างไรเพราะในสมัยนั้นไม่มีกล้องโทรทัศน์อันหนึง่งสำหรับผู้ที่เคยอ่านเรื่องโลกธาตุหรือจักรวาลที่มีผู้แปลออกมาจากคัมพีในพระพุทธศาสนา และอ้างว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นขอให้เข้าใจว่าเรื่องจักรวาลที่กล่าวไว้นั้นเป็นมติที่พระพุทธโคส า, าจารย์ท่านเขียนขึ้นไว้เองและเข้าใจว่าคงจะเป็นความเชื่อที่มีอยู่อย่างแพร่หลายในยุคนั้นเช่นที่ท่านกล่าวไว้ว่าโลกนี้มีความหนาสองแสนสีมืนโยชน้าที่รองแผ่นดินมีความหนาส8ดโยชนลมที่รองน้า มีความหนาเกแสนหกมืนโยธและโลกของเรานี้มีภูเขาล้อมรอบเรียกว่าภูเขาจากักรวาลกลางโลกมีภูเขาพระสุมเมนซึ่งสูงถึง8ป0 0สี่พันโยธและอย่างเป็นในมหาสมุทรก็ลึกถึง8ป0 0สี่พันโยธอะไรทา น, นองนี้บางคนไม่รู้ที่มาเมื่อได้พบข้อความในลักษณะ น, นี้จากคำภีของพระพุทธศาสนาก็มักจะดูมิน เพราะเข้าใจว่าเป็นพุทธพจน์ซึ่งความจริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสถึงเลยหมายเหตุผู้อ่านท่านตรัสถึงเรื่องโลกว่าอีกแบบหนึ่งมีข้อความในพระไตรปิฎกเล่มที่14บสี่ทรงอุปมาโลกทั้งปวงเหมือนผลมะขามป้อมซึ่งน่าจะชี้ให้เห็นว่าโลกนั้นมีสันธานกลมในขณะที่คนยุคนั้นยังเชื่อว่าโลกแบน และกว่าจะยอมรับกันจริงว่าโลกลมนั้นก็ผ่านเวลาถึงสองพกว่าปีหลังที่พระองค์ได้ตรัสไว้นะครับสังขาระโลกแปลว่าโลกคือสังขารในข้อนี้หมายความว่าสิ่งต่างๆในโลกเกิดขึ้นมาเพราะอะไรพระพุทธเจ้าทรงทราบทั้งสิ้น คำว่าสังขารในที่นี้ตามสับแปล ว, ว่าสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งเรื่องสังขารโลกหมายถึงทรงรู้แจ้งว่ามนุษย์ก็ดีสัตว์ก็ดีพืชก็ดีรวมทั้งสิ่งที่ร้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นมาเพราะอะไรพระองค์ทรงทราบทั้งหมด สัตวโลกแปล ว, ว่าโลกคือหมูสัตว์ในข้อนี้หมายความว่าสัตว์ต่างๆในโลกนี้ซึ่งรวมทั้งมนุษย์ด้วยรวมทั้งโอปปาติกะทั้งหลายด้วยในสากลจักรวาลทั้งหมดมีกี่ชนิดมีกี่ประเภทพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบทั้งหมดและได้ทรงจำแนกเอาไว้เป็นตัวอย่างด้วยเช่นตรัสไว้ว่าวิธีเกิดของสัตว์มีสี่ชนิดเรียกว่า โยนิสีภูมิอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณมีอยู่เจ็ดเรียกว่าวิญญาณที่ติเจ็ดพบอันเป็นที่อยู่ของสัตว์มีอยู่เก้าเรียกว่าสัตว์ตาวาดเก้าอย่างนี้เป็นต้นอันหนึ่งท่านยังอธิบายไว้อีกว่าพระพุทธเจ้านอกจากจะทรงทราบถึงชีวิตทุกประเภทในสากลจักรวาลว่ามีอยู่อย่างไรเกิดมาอย่างไร มีความเป็นอยู่อย่างไรแล้วยังทรงทราบถึงอธัธยาศัยและอุปนิสัยสันดานของสัตว์ทุกชนิดคำว่าสัตว์ในที่นี้รวมทั้งมนุษย์และโอปปาติกาทุกประเภทด้วยและบรรดาศิลปาศาสตร์ต่างๆรวมทั้งลทัทธิศาสนาต่างๆที่มีอยู่ในยุคนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบโดยตลอดปัญหาสำคัญมีอยู่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้หรือ ที่พระพุทธเจ้าจะทรงรอบรู้อะไรทุกอย่างเช่นนั้นเพราะเป็นการผิดวิสัยธรรมดาหลือเกินคําตอบในเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เคยอธิบายมาแล้วครั้งหนึ่งในบทสัมมาสัมพุทธโธซึ่งแปลว่าเป็นผู้รู้แจ้งด้วยตนเองหรือที่ตัวเองจากตัวเองโดยชอบคือโดยถูกต้องถ้าท่านผู้อ่านยอมรับว่าพระพุทธเจ้าทรงได้อภิญญาทั้ง6 ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่พระองค์จะไม่ทรงรู้แจ้งในเรื่องต่างๆดังที่กล่าวมาเพราะการที่พระองค์ทรงมีตาทิพย์หูทิพย์ประดึกชาติได้แสดงปาฏิหาริย์ต่างๆได้และทรงทราบถึงความเป็นไปแห่งสันดานของมนุษย์และสัตว์อย่างละเอียดถี่ถ้วนจึงกระทั่งเอาชนะกิเลสได้ทุกอย่างความรู้ความสามารถเหล่านี้ย่อมเป็นพื้นฐานหรือเป็นเครื่องมือที่สามารถจะทําให้รู้อะไรต่างๆได้โดยไม่ยาก ซึ่งความรู้แบบนี้เป็นการรู้จากตัวเองหรือที่ตัวเองทางนี้ก็เพราะเป็นหลักธรรมดาซึ่งเหมือนกันหมดทุกคนกล่าวคือไรก็ตามซึ่งไม่เฉพาะแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าหากได้ฝึกจิตมาจนกระทั่งได้อภิญญาครบทั้งหมดแล้วทุกคนก็สามารถที่จะหาคำตอบในปัญหาต่างๆได้จากตัวเองโดยไม่ยากคือหมายความว่าถ้าต้องการจะทราบเรื่องอะไร ก็เพียงแต่เข้าสมาธิไปก็จะได้คําตอบตามที่ต้องการทุกอย่างแต่อย่างไรก็ดีคนที่จะสามารถหาความรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างจากตัวเองได้นั้นมีหลักสำคัญโดยย่อดังต่อไปนี้คือ 1. ต้องเป็นคนที่เคยสร้างบารมีมามากในชาติก่อนๆคือเคยมีความรู้ความสามารถในทางนั้นๆมาแล้ว เพราะการหาคำตอบจากตัวเองนั้นจะได้มากหรือน้อยแค่ไหนย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถในชาติก่อนๆด้วยสองต้องมีสื่อในการแปลซึ่งหมายความถึงว่าปัจจุบันชาตินี้ต้องได้รับการศึกษาด้วยเพราะความรู้ทุกอย่างที่เรียนรู้ในชาตินี้คือสื่อในการแปล หรือสื่อในอันที่จะถ่ายทอดเอาความรู้จักภายในออกมาถ้าหากคนไหนได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดีเช่นเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเป็นนักอสอนรศาสตร์หรือเป็นศิลปินหรือเป็นอะไรก็ตามรอบดูในทางไหนก็จะถ่ายทอดในทางนั้นออกมาได้ดีส่วนในทางไหนที่ไม่ได้เรียนมาก็จะถ่ายทอดออกมาไม่ได้ฉะนั้นความรู้ความสามารถที่เกิดจากการเรียนหรือการฝึกฝนในปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมว่าความสามารถของวิญญาณที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมนั้นยิ่งใหญ่มากซึ่งเราจะรู้ได้จากผลงานของมันคือร่างกายที่เกิดขึ้นมานี้และถ้าท่านเข้าใจว่าร่างกายของคนเราแต่ละคนก็คือจักรวาล น, น้อ ย, อยจักรวาลหนึ่งซึ่งมีทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ทั้งหมดท่านก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากว่า ความสามารถของวิญญาณที่มีอยู่แล้วโดวยกำเนิดนั้นมีอยู่มากมายและมีทุกขแขนงเพราะฉะนั้นจึงสามารถที่จะหาความรู้จากภายในได้โดยอาศัยวิธีทางสมาธิแต่ก็อย่าลืมว่าต้องขึ้นอยู่กับความรู้ในปัจจุบันซึ่งเป็นเครื่องมือหรือเป็นสื่อสำคัญยิ่งในอันที่จะแปลหรือถ่ายทอดความรู้จากภายในออกมาซึ่งถ้าหากคนไหนมีมาก ก็ถ่ายทอดออกมาได้มากมีน้อยก็ถ่ายทอดออกมาได้น้อยด้วยเหตุนี้พระอาหารหันตทุกองค์แม้จะได้อภิญญาเหมือนกันแต่ความรู้ความสามารถก็มีไม่เหมือนกันคือไม่เท่ากันสต้องมีสมาธิดีคำว่ามีสมาธิดีในที่นี้ หมายความว่าย่งน้อยก็ต้องได้ปฐมฌานหรือได้ขั้นอุปจารสมาธิซึ่งถ้าหากได้ฌานสูงขึ้นไปเพียงไรและมีสันดานบริสุทธิ์จากกิเลสมากเพียงไรความสามารถในอันที่จะถ่ายทอดเพื่อเอาความรู้จากภายในก็มีมากเท่านั้นสำหรับผู้ที่ได้ศึกษาและเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหลักสามประการนี้ก็จะยอมรับว่า พระพุทธเจ้าต้องเป็นโลกาวิถูและเป็นสัพพันยูแน่ทั้งนี้เพราะพระพุทธเจ้าทรงมีคุณสมบัติทั้งสาประการครบถ้วนบริบูรณ์และทรงมีอย่างชนิดสมบูรณ์ถึงที่สุดด้วยฉะนั้นจึงไม่มีปัญหาอะไรที่พระองค์จะไม่ทรงรู้แจ้งในทุกสิ่งทุกอย่างดังที่พระองค์ได้ทรงเปรียบเทียบไว้ว่าความรู้ที่พระองค์มีอยู่นั้นเหมือนกับใบประดู่ทั้งป่า แต่ที่พระองค์ทรงแสดงออกมาเพื่อแนะนาสั่งสอนคนอื่นนั้นเท่ากับใบประดูที่พระองค์หยิบขึ้นมากำมือหนึ่งแล้วโปรยลงไปเท่านั้นแต่อย่างไรก็ดีในเรื่องนี้ท่านจะต้องเข้าใจว่าอีกอย่างหนึ่งว่าเรื่องอันใดถ้าไม่มีคนถามหรือไม่มีอะไรมากระตุ้นให้พระองค์ทรงนึกขึ้นมาเรื่องนั้นพระองค์ก็ไม่ทรงทราบ ทั้งนี้ก็เพราะเรื่องต่างๆที่พระองค์จะต้องทรงนึกถึงซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะหน้าก็มีมากมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่พระองค์ไม่ได้ตรัสถึงวิชาการอื่นๆเพราะไม่มีใครถามหรือเพราะไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องตรัสนั้นจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะเวลามีไม่พอบางคนอาจจะสงสัยว่า ถ้าพระพุทธเจ้าทรงเป็นโลกกวิถูหรือทรงเป็นสัพพัญยูจริงก็น่าจะทรงเขียนหรือทรงบอกถึงวิชาการอื่นๆไว้บ้างหรือไม่เช่นนั้นก็น่าจะได้ทรงทํำสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ในด้านศิลปะหรือในทางวิทยาศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งไว้ให้เป็นตัวอย่างของโลกแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีที่ไหนในคำภีร์มีแต่คําสอนในด้านศิลธรรมที่เป็นส่วนมากนั้นก็ขอเด้โปรดเข้าใจตามนี้ อันที่จริงในเรื่องนี้ถ้าเราได้ทราบถึงความจำเป็นว่าวิชาใดหรือความเจริญในด้านไหนที่จะเป็นรากฐานของความเจริญในทางโลกทุกๆแขนงแล้วเราก็จะไม่สงสัยเลยว่าทำไมพระองค์จึงทรงสอนแต่เรื่องศีลสมาธิปัญญาคือทรงสอนแต่ในด้านศิลธรรมอย่างเดียวพุทธคุณบทนี้เข้าใจว่าคงจะเป็นข้อเตือนสติหรือให้แนวความคิดได้เป็นอย่างดี สำหรับบุคคลที่จะเป็นผู้นำทางศาสนาทุกวันนี้การที่พระพุทธศาสนาไม่แพร่หลายไปทั่วโลกเหมือนกับศาสนาอื่นโดยเฉพาะคือคริสตศาสนาและไม่ค่อยจะมีอิทธิพลโน้มน้อมให้คนชั้นปัญญาชนหรือคนที่มีอิทธิพลหันมาสนับสนุนในทางศาสนาอย่างจริงจังซึ่งถ้าเปรียบเทียบสถาบันการสอนและการเผยแพร่ในทางศาสนา กับสถาบันการศึกษาในทางโลกแล้วเราจะลายเห็นว่าผิดกันไกลมากนั้นทางนี้ก็เพราะคนที่จะสามารถทำการสอนศาสนาให้ได้ผลดีจริงๆนั้นจะต้องเป็นคนที่มีสมองพิเศษเหนือบุคคลประเภทอื่นมากเนื่องจากจะต้องมีการศึกษากว้างและจะต้องมีความรู้ความสามารถหลายทางไม่ใช่รู้แต่ศาสนาอย่างเดียวถ้าสมองอยู่ในระดับธรรมดา ก็ไม่อาจจะศึกษาอะไรได้กว้างขวางและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือจะต้องเป็นคนมีจิตใจสูงมีความอิ่มตัวไม่มีความกดดันและจะต้องเป็นคนที่สามารถเข้าสมาธิได้ดีไม่เช่นนั้นการสอนศาสนาก็จะไม่ค่อยได้ผลเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้